เปิดในหน้า274เนี่ยนะเพื่อจะรู้ศาสนประฐานการหมวดว่าด้วยศาสนประทานศาสนประฐานคืออะไรคือสังวนานาพิเศษการอธิบายพระธรรมโดยพิเศษที่แสดงความเป็นไปแห่งเทสนาของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่าเป็นการสังวนานาที่ให้รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยประการต่างๆว่าคำสอนเนี่ยเป็นสังกิเลสะพาคิยะหรือเป็นวาสนาพาคิยะเป็นต้นได้ที่พระพุทธเจ้าแสดงทำทั้งหมดตามสมควรแก่อัธยาศัยการที่สามารถเข้าใจขอไปสังวนานาพิเศษที่ทำให้รู้จักคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนตามอัธยาศัยของสัตว์ดังกล่าวชื่อว่า ศาสนประฐานผันนสศาสนะศาสนประฐานเนี่ยนะทำให้รู้จักความเป็นไปแห่งคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนตามสมควรแก่อัธยาศัยของเวนยสัตว์ศาสนะก็คือศาสนาศาสนาก็คือคำสอนประฐานก็คือที่ตั้งก็คือที่ตั้งแห่งค ำ, คำสอนเนี่ยนะคือให้รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนเหล่านี้หมายถึงอะไร ศาสนประทานในที่นี้หมายถึงการแสดงความที่คําสอนคือเทศนาของพระพุทธเจ้าคนที่ศึกษาศ า, าสนาประทานเนี่ยนะพอมองเห็นพุทธพจน์รู้เลยว่าคําสอนเนี่ยคืออะไรผู้ศึกษาควรทําการหาและก็กําหนดจดจำที่สาธรรมทั้งหลายคือมูลบท18ที่กล่าวมาแล้วทวนอีกครั้งมูลบท18คืออะไรมูลบท4มูลบท6และมูลบท8 มูลบท4ก็คือในนันทิยาวัตนยัยอวิชาตันหาสมถาวิวปัสนามูลบท6ก็คือกุศลมูลอากุศลมลูลมูล Moon บท8ก็คือวิปัสสีกับอินทรีสีเพราะฉะนั้นฝ่ายสังกิเลส9ฝ่ายโวทานอีก9รวมเป็นมูลบท18เมื่อเข้าใจมูลบท18ดังที่กล่าวแล้วใครครวรกำหนดจดจำทำความเข้าใจเป็นอย่างดี ในพระไตรปิฎกทีนี้กม็มาพิจารณาในศาสนปฐฐานจะเห็นชัดว่าพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงนะเป็นการแสดงตามแนวของมูลบททั้ง18ประการนะนั่นมูลบททั้ง18ประการนี่แหละเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าแสดงสูตร16ประเภทนะมูลบท18บนี่เป็นสาเหตุให้แสดงสูตร16ประเภทด้วยกันท่านในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงมีมีพระสูตรอยู่ประมาณ16ประเภท 16ประเภทคืออะไรหนึ่งสังกิเลสะภาคยสูตรสูตรที่กล่าวถึงส่วนแห่งสังกิเลคือความเศร้าหมองประกาศถึงลักษณะของความเศร้าหมองว่าเศร้าหมองเพราะตันหาเป็นยังไงเศร้าหมองเพราะทิฏฐิเป็นยังไงเศร้าหมองเพราะทุจริตเป็นยังไงเป็นสูตรที่ชี้แจงแจกแจงลักษณะแห่งความเศร้าหมองจริงๆแล้วพระวินัยเนี่ยนะกล่าวถึงโทษของความเศร้าหมองของทุจริตพระสูตรก็คือแสดงโทษถึงความเศร้าหมองของทิฏฐิ เอ่อขอภัยของตันหาอภิธรรมนี้ก็ประการการแสดงถึงความเศร้ามองแห่งทิฐินั่นเองนะเพื่อแก้ความเศร้ามองเหล่านั้นเพราะความเศร้าหมองของของสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าแสดงให้สัตว์ทั้งหลายรู้จักความเศร้าหมองของอความเศร้ามองของกิเลสนี่นะที่ทลักออกมาด้วยอํานาจทุจริตตันหาและทิฐิเพราะนั้นพระสูตรใดที่ประกาศถึงลักษณะความเศร้าหมองอย่างนี้เรียกว่าสังกิเลสะภาคียสูตร แปลว่าสูตรที่อยู่ในส่วนแห่งความเศร้าหมองนี่ะสูตรที่อยู่ในส่วนแห่งความเศร้าหมองนนทีนี้วาสนาภารยะสูตรก็คือสูตรที่ว่าด้วยการแสดงธรรมในส่วนแห่งบุญวาสนา เป็นสูตรที่เป็นไปในส่วนแห่งการเจริญกุศลเป็นสูตรในส่วนแห่งการเจริญคุณงามความดีเนี่ยนะอีกในหนึ่งก็คือแสดงเพื่อเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยแสดงครั้งนี้เพื่อเขาจะได้เจริญเติบโตเขาจะได้รู้จักวิธีสร้างบุญสร้า ง, างกุศลเมื่อรู้วิธีสร้างบุญสร้างกุศลในที่สุดเขาก็มีการตรัสรู้ได้พวก น, นี้เรียกว่าเป็นวาสนาภาคยะสูตรสูตรที่อยู่ในส่วนหรือการแสดงให้เป็นวาสนาต่อไปให้รู้จัก วิธีการเจริญคุณงามความดีเจริญบุญเจริญกุศล <c oughs> ส่วนนิเพทภาคยสูตรก็คือสูตรที่ยู่ว่าด้วยเป็นไปในส่วนแห่งการเจาะทําทลายกิเลสนะสูตรที่ว่าด้วยส่วนแห่งการชําแรกกิเลสชําแรกเพื่อให้พ้นจากราคะเป็นสูตรที่อยู่ในส่วนแห่งการชําแรกเพื่อพ้นโทสะและโมหะเป็นการแสดงธรรมเพื่อความหลุดพ้นจาก ราคะโทสะโมหะเรียกว่านิเทพทะาคิยสูตรก็คือสูตรที่เป็นสมถะและวิปั ส, สนาที่ใกล้ต่อการตรัสรู้ส่วนอเซสอเสขาภาคิยสูตรก็คือสูตรที่เป็นไปในส่วนแห่งผู้ที่มีการศึกษาจบแล้วคือผ้าอรหันทั้งหลาย น, นะสูตรที่กล่าวถึงคุณธรรมของผ้าอรหันทั้งหลายผู้มีไตรสิกขาอันเจริญเต็มเปี่ยมมีศิกขาเจริญอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะ เรียกว่าอาเสขภาคียสูตรสูตรว่าด้วยส่วนของพระอาเสขะหรือสูตรว่าด้วยคุณธรรมของพระอาเสขะหรือผู้ที่มีอาเสขธรรมหรือลักษณะของอาเสขธรรมทั้งหลายมันก็มีอยู่กลุ่มแรกกลุ่มที่1ก็คือสังกิเลสภาคิยะ 2. วาสนาภาคิยะ ส, ส, น, าายะสนิเพทภาคิยะสี่อาเสขาพาคิยะพันธะมองกว้างๆ ก, างก็มีอยู่สี่กลุ่มด้วยกัน น, นะเขาเรียกว่าแสดงแบบล้วนๆ น, น, นะนะแสดงแบบไม่คละอะไรเลยตรงๆก็คือ1กลุ่มสังกิเลส2วาสนาสามนิพพตสี่อเศขะคือของพระอรหันต์ทั้งหลายส่วนที่นี้ถ้ามาคละกันผสมกันเนี่ยนะเป็นเป็นธรรมที่ผสมกันเช่นว่าสังกิเลสบวกวาสนาก็แสดงทั้งกุศลและอกุศลแสดงวิธีการละกุศลและแสดงวิธีการเจริญกุศลนี้เขาเรียกว่าสังกิเลสวาสนาภาคียสูตร บางทีนี่พูดสังกิเลสแล้วก็พูดวิธีชำแรกและบาปกิเลสโดยสิ้นเชิงเรียกว่าสังกิเลสะนิเพทภาคยาสูตรเป็นสูตรที่การแสดงทำเพื่อการชำแรกกิเลสโดยส่วนเดียวสแสดงกิเลสและวิธีการชำแรกจากกิเลตบาปอากุศลบางทีก็สูตรที่เรียกว่าสังกิเลสะอักเสขภาคยาสูตรก็สูตรของกล่าวถึงสังกิเลสและอัเสขธรรมคือธรรมของพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ว่าผู้ที่เศร้ามองด้วยสังกิเลสเป็นอย่างไรถ้าสะอาดหมดจดจากสังกิเลสไปแล้วศึกษาจบแล้วเนี่ยนะบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างไรพระสูตรเหล่านี้เรียกว่าสังกิเลสะอเสขะสูตรพวกนี้ก็เ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นคู่ใช่ไหมเป็นคู่ส่วนสูตรที่8เนี่ยเป็นลักษณะสังกิเลสะนิเพทะและก็อเสขะเป็นการแสดงความเศร้ามองแสดงสมถวิปัสนาแล้วก็จบลงที่พระอรหรันต อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมที่ น, นะแสดงบาปอากุศลแสดงการชำระจากบาปอากุศลแสดงว่าถ้าเจริญเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรส่วนสังกิเลสวัสนานิเพทพาคยะ น, นะเมื่อเศร้ามองและควรมาเจริญคุณงามความดีอย่างไรแล้วจะชำระออกจากบาปอากุศลเหล่านั้นได้อย่างไรอันนี้เรียกว่าสังกิเลสวาสนะนิเพทพาคยสูตร พสัสดุเหล่านี้เราจะเข้าใจได้ชัดเจนต่อเมื่อมีตัวอย่างประกอบแต่นี้ฟังหัวข้อไว้ก่อนเนี่ยนะจะได้คุ้นเคยกับหัวข้อไม่งั้นเดี๋ยวลงรายละเอียดไหมลืมหัวข้อมาเลยไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้นะเพราะส่วนทั่วๆไปนี่บางทีลงละเอียดมากก็ลืมว่ามาจากไหนบางทีจําได้แต่หัวข้อก็ไม่รู้ว่าจะฟังให้เป็นอะไรอีกเหมือนกันดังนั้นเราก็ควรศึกษาแบบอะไรนะพวกในวิปัญจิตันยู่ฟังทั้งย่อฟังทั้งพิสดารเนี่ยนะฟังให้หมดเลย อย่าไปเลือกเลยเนี่ยนะอะไรให้มีให้ฟังก็ฟังฟังไปเถอะมีให้อ่านก็อ่านอ่านไปเถอะถ้าไม่ฟังไม่อ่านจะเสียใจในวันหลั ง, งนะเพราะเขาเลิกแล้วจะไปขอร้องให้เขาพูดอีกไม่เลิกแล้วเลยสี่โมงไปแล้วใครจะมาขอร้องเอาเรียนกับคนเดียวเถอะมีเวลาแล้วเ <c oughs> นี่ย น, นะ <c oughs> ไม่มีพิเศษเนี่ยนะโนะรงเรียนนี้ไม่มีพิเศษนี่มาดูพวก สูตรที่สิบเขาบอกว่าวาสนานิเพทภาคยสูตรเนี่ยก็เป็นการแสดงส่วนแห่งบุญกุศลและก็ส่วนแห่งการชำแรลกิเลสทั้งหลายอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะก็คือพวกสังกิเลสสังกิเลสปกติและมีกิยามี3อย่างคือตัณหาทิฏฐิและทุจริตเพราะฉะนั้นมีพระสูตรที่กล่าวถึงความเศร้ามองด้วยตัณหาพระสูตรที่กล่าวถึงความเศร้ามองด้วยทิฏฐิพระสูตรที่กล่าวถึงความเศร้ามองด้วยทุจริตว่า เศร้ามองด้วยตันหาเป็นอย่างไรเศร้ามองด้วยทิฏฐิเป็นอย่างไรและความเศร้ามองด้วยทุจริตนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ขณะเดียว ก, กันก็มีสูตรอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าจะชำระตันหาให้หมดจดได้อย่างไรชำระทิฏฐิให้หมดจดได้อย่างไรชนะ that, ชำระทุจริตให้หมดจดได้อย่างไรพวกที่ชำระตันหาเรียกว่าตันหาโวทานชำระทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐิโวทานชำระทุจริตเรียกว่าทุจริตโวทาน แบ่งธรรมะกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มที่หนึ่งนะจะมีสี่สูตรกลุ่มที่สองมีสูตรที่ห้าถึงสูตรที่สิบกลุ่มที่สามสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะและกลุ่มที่สีก็มีหัวข้อสิบสามสิบสี่สิบห้าิบเออเข้าไปสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยนะกลุ่มแรกเนี่ยนะก็คืออะไรสังกิเลศวาสนานิเพทะและอาเสขาอันนีโดด้โดดเลยนะสี่สูตรโด ด, โ ด, ดส่วนข้อห้าก็มาจับคู่กันก็คือเอาข้อหนึ่งกับข้อสองมา คู่กันเนี่ยนะสังกิเลตเอาเข้าไปเอาข้อหนึ่งกับข้อสมาคู่กันเนี่ยนะส่วนสังกิเลตอเสคาก็คือเอาข้อหนึ่งกับข้อสมาคู่กันส่วนสังกิเลตนิเพทะอเสคาก็คือเอาหนึ่งเอาสแล้วก็เอา er it, สี่มาคู่กันส่วนสังกิเลตวาสนานิเพทะก็คือเอาข้อหนึ่งข้อ2ข้อสมารวมกันส่วนวาสนานิเพทะก็เอาข้อ 2กับข้อ3 ม, มารวมกันเนี่ยนะก็เป็นการคละกันเนี่ยนะเป็นพระธรรมที่เอาสูตร4 ส, สูตรข้างต้นนี่แหละมาละกันตามสมควรส่วนนี้ก็ความเศร้ามองด้วยตัญหาทิฏฐิทุจริตก็สข้อส่วนโวทานการหมดจดจากตัญหาและทิฏฐิทุจิริตก็อีกสข้อก็รวมเป็น16ข้ออันนี้เป็นการแสดงตามพระสูตรในเนติปกรณ์เนติปกรณ์จะยกสูตรในพระไตรปิฎกมาเป็นตัวอย่างประมาณ16กลุ่ม สิกลุ่มก็คือ16สูตรเหล่านี้ส่วนอัตถกถาดีกาท่านยกมาอีก16แต่อีกในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือสังวานิอักังก็คือลายสังกิเลศวาก็คือวาสนานี่ก็คือนิเพทะภาคิยะอะก็คืออเซขะทีนี้ต่อไปก็มาจัดว่าสังวาสังนิสังอเนี่ยนะก็คือสังกิเลศบวกวาสนาสังกิเลศบวกนิเพทะสังกิเลศบวกอเซขะวานิวาอะ ก็ค er ือวาสนาบวกนิเพทะวาสนาบวกอาเซขะแล้วก็นิเพทะบวกอาเซขะนั่นเองเรียกว่าหมวด2ถ้าหมวด3หมวด3ก็มาแบ่งว่าสังวานีสังวาอสังนิอวานิอสังก็คือสังกิเลสวาสนาแล้วก็นิเพทะสังกิเลสวัสนาอาเซขะสังกิเลสนิเพทะอาเซขะวาสนานิเพทะอเสขะเนี่ยนะส่วนหมวด4ก็คือ สัพาพะาคยะก็คือแสดงทั้งสังกิเลตว่าสนานิเพทาอาเสขารวมกันหมดเลย น, นะและอีกพวกหนึ่งก็คืออัศพะพาคยะไม่เกี่ยวกับที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเลยก็มีอีกสุกรมหนึ่งไม่เกี่ยวกันเลยอัศพะพาคยะไม่ก็คือไ ม, ไม่ไม่ทั่ว ก, กับพวกนี้เลยเหมือนกันพระสูตรอีกในหนึ่งที่มาในพระบาลีที่อยู่ในพระไตรีพิตร ก, นะก็มีอีกกลุ่มหนึ่ง กล่มอะไรบ้างกล่มโลกิยะสูตรโลกุตระสูตรแล้วก็คละกันทั้งโลกิยะและโลกุตระเราคงได้ฟังะนะเช่นว่าอะไรนะพุทธพจน์ตรงนี้เป็นวัตตะนี้เป็นวิวัตตะนะแล้วก็คละกันทั้งวัตตะและวิวัตะถ้าอ่านอัองคุตรนิกายจะเห็นชัดว่าพระสูตรเป็นวัตตะนะคาถาเป็นทั้งวัตตะแนละวิวัตะหรือพระสูตรเป็นวัตตะคาถาเป็นวิวัตตะอะไรก็จะบอกไว้อย่างนี้เลย แล้วก็เป็นพระสูตรที่แสดงสัตตาที่ฐานหรือบุคลาที่ฐานธรรมาที่ฐานนะแสดงเอาบุคคลเป็นที่ตั้งหรือเอาธรรมเป็นที่ตั้งเอาทั้งธรรมและบุคคลเป็นที่ตั้งเรียกว่าสัตตาที่ฐานธรรมาที่ฐานสัตตะธรรมาที่ฐานก็คือแล้วแต่ว่ายกบุคคลเป็นที่ตั้งหรือยกธรรมเป็นที่ตั้งหรือยกทั้งบุคคลและธรรมเป็นที่ตั้งอีกพระสูตรอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นสูตรที่ยานะกล่าวเพื่อให้เกิดความรู้่กล่าวถึงตัวความรู้ ญานสูตรก็สูตรที่กล่าวถึงตัวคุณภาพของความรู้เยยยสูตรก็คือพูดถึงสิ่งที่ควรรู้กับญาณเยยยสูตรคือพูดทั้งตัวความรู้ด <iser>. <ur Housing. S 2> ้วยพูดทั้งสิ่งที่ควรรู้ด้วยพูดหมายค่ะว่าญาณสูตรก็สูตรที่ว่าด้วยเรื่องของปัญญาเยยยสูตรก็คือสูตรที่เป็นสิ่งที่ปัญญาเข้าไปรู้ว่าสิ่งที่ปัญญาควรรู้่คืออะไรยานะเยยยสูตรก็เอาทั้งปัญญาและสิ่งที่ปัญญาควรรู้มาคละกันอย่างเงี้ย ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าทัศนสูตรสูตรเกี่ยวกับโสดาโสดาปฏิมักอนภาวนาสูตรก็สูตรเกี่ยวกับสกะธาคามิมักเป็นต้นเรียกว่าภาวนาสูตรอันนั้นก็คือแสดงอะไรนะถ้ามักสี่นะมักสี่ทัศนสูตรก็สูตรเกี่ยวกับโสดาปฏิมักภาวนาสูตรก็เกี่ยวกับสกะธาคามิมักอนาคามีมักและอรหัตตมักบางทีก็แสดงมักสี่ฆระกันไปเลยเนี่ยนะก็คือทั้งโซดาสกะธาคามีอนาคามีและอรหัตตมัก บ sa like างทีก e ็แสดงสก่าวจนะสูตรคําพูดของพระพุทธเจ้าสก่าของตนน่ะนะก็คือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตรัสว่ายังไงพระวจนะสูตรลัที่อ <in> ื่นเขากล่าวไว้อย่างไรบางทีก็เอาทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเข้ามาแสดงว่าฝ่ายเราว่ายังไงฝ่ายอื่นรับที่อื่นเข้าแสดงอย่างไรส่วนพระสูตรอีกกลุ่มหนึ่งก็คือวิพัชนียาสูตรกับอวิสัชนียาสูตรและก็วิสัชนียาวัชนียาสูตรก็คือสูตรที่ควรวิสัชนา สูตรท yeah. like mm hmm. cool. ี่ไม่ควรวิสัชนาแปลว่าบางอย่างที่เขาถามไม่ต้องตอบเขาหรอกบางอย่างควรตอบบางอย่างควรตอบบางอย่างไม่ควรตอบอย่างเช่นเขาถามมาเออนี่ควรตอบบางทีก็ถามมาโอ้นิ่งจะดีกว่าว่างั้นเถอะเปลี่ยนเรื่องคุยเถอะว่ากันบางทีก็แยกตอบเนี่ยนะเออนี่น่าตอบตรงนี้ไม่น่าตอบเนี่ยนะมันก็มีสูตรที่ควรตอบสูตรที่ไม่ควรตอบแล้วก็คือก็มาจากคําถามมันนะเพราะที่ใดมีวิสัชนาแสดงว่ามาจากปุจฉามาจากคําถาม พันคําถามเนี่ยนะคำถามบางอย่างควรวิสัชนาบางคาถามไม่ควรวิสัชนาบางคําถามแยกวิสัชนาเนี่ยนะแยกออกมาว่าตรงนี้ควรตอบตรงนี้ไม่ควรตอบบางสูตรกล่าวถึงกรรมบางสูตรกล่าวถึงวิบากบางสูตรกล่าวทั้งกรรมและวิบากก็คือสูตรบางสูตรกล่าวถึงเหตุบางสูตรกล่าวถึงผลบางสูตรกล่าวทั้งเหตุทั้งผลบางสูตรกล่าวกุศลบางสูตรกล่าวอกุศลบางสูตรก็กล่าวทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยนะ บางสูตรเรียกว่าอานุญญาตเนี่ยนะสูตรที่ว่าอนุญาตหรืออนุมัติได้บางสูตรนี้บอกว่าห้ามไม่เอาไม่เอาปฏิเรียกว่าปฏิกิตะบอกไม่เอาเออบางสูตรทั้งทั้งอนุญาตและห้ามเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าใครเสนออะไรมาเอออันนี้อนุญาตได้อนุมัติได้อันนี้บอกว่านี้ห้ามนนในรายการเดียวกันห้ามบางอย่างแล้วก็อนุญาตเป็นบางอย่าง แล้วก็พระสูตรบางสูตรก็เป็นทะวะสูตรสูตรที่ยกย่องชมเชยเช่นในพระไตรปิฎกนี่ชมเชยอะไรบ้างชมเชยคุณธรรมของพระอรหันต์เนี่ยนะที่ในอุทานนี่เห็นชัดเลยว่าพระพุทธเจ้าชมเชยพระสารีบุตรพระโมกขลานะชมเชยพระอรหันต์ต่างๆนี่มาดูตัวอย่างสูตรที่เป็นอกุศลสูตรที่เป็นอกุศลโกธมัคขะครุภิก ข, ข, ขุลาภสักการะการนา สุเคเตปูติพีชังจะสัตธรรมัสธรรมมสมิงนารุหติภิกษุผู้มักโกรธแล้วก็ลบหลูค่คณผู้อื่นเพราะเหตุแห่งลาบสการะภิกษุอย่างนี้จะไม่งอกงามในพระสัทธรรมเหมือนอะไรเหมือนเมล็ดพืชที่เสียย่อมไม่งอกงามในานาที่ดีคือพระศาสนาเหมือนกับนาดีผู้ที่เข้ามาบวชก็เหมือนกับเมล็ดพืชทีนี้ไอ้พระภิกษุที่มีคุณธรรมมักโกรธขี้โกรธด้วยนะ เรีว่าเยมแย่ไม่ได้เลยเหมนกันแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ดูถูกดูหมิ่นเหยียดย้ำคนอื่นหมดนะดูกโกรธแล้วก็ลบหลู่คุณคนอื่นเพราะต้องการลาบสการะเขาก็เหมือนกับเมล็ดพืชที่เสียแล้วละ่ะถึงนาคือาศาสนาจะ ง, งดงามปานใดเมล็ดพืชที่งออย่างนี้ก็ไม่งอกงามพวกนี้แสดงถึงธรรมะที่เป็นอกุศลเพราะอากุศลแปลว่ามีโทษมีโทษฉะนั้นสูตรที่แสดงอกุศลอย่างนี้เนี่ยให้รู้ว่าถึงความเลวร้ายของความ โกรธความมักโกรธหรือเพราะความปรารถนาลาบสการะผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยความปรารถนาลาบสการะเป็นคนมักโกรธลบหลูบคุณของผู้อื่นไม่งอกงามในพระาศาสนานี้แน่นอนเหมือนมเมล็ดพืชที่เสียไม่งอกงามในนาดีฉะนั้นหรือบางทีสูตรที่เป็นโลกิยะกุศลสูตรที่แสดงถึงโลกิยะกุศลเช่นอะไรอา น, นิสงส์ของการที่ว่าเขาถวายดอกไม้แม็ดดอกเดียวก็เกิดในหมู่เทวดาและมนุษย์ตลอดพันกับ หรือว่าพันโกรธกับเสร็จแล้วจบสุดท้ายเขาก็ปรินิพานด้วยกรรมที่เหลือก็เรียกว่าด้วยบุญอ น, นั้นเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยทำให้เขาปฏิบัติจนบรรลุอริยมรรคอรหัตธรรมจนสามารถกำจัดบาปอากุศลได้หมดเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวาสนาภาคยาสูตร เป็นสูตรที่กล่าวถึงบุญวาสนาของเขาอนนะบุญวาสนาของเขาที่เขาเคยสั่งสมมาเอาดอกไม้ดอกเดียวพวงมาลายัยเดียวไปถวายพระพุทธเจ้าบูชาพระเจดีย์เป็นต้นทําให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยบุญอันนั้นเป็นปัจจัยได้ฟังธรรมก็บรรลุมรรคผลในตอนท้ายบางทีก็เป็นพระสูตรที่แสดงถึงเสกศีลศีลขันเรียกว่ากองแห่งศีลของพระเสขะเอ่อเขไ ป, ไปกองศีลแห่งพระเสขะ นะกองศีลแห่งพระเสขะเช่นว่าภิกษุเป็นผู้มีสติเหมือนบุคคลที่ถูกจี้ด้วยห อ, อกถูกไฟลนบนกระหม่อมพึ่งออกไปเพราะละกามราคะเสียได้เหมือนกับว่าให้คนที่คนที่ถูกห อ, อกมาจี้ห อ, อกเนี่ยจ่ออยู่ที่ค อ, อนนะห อ, อกเนี่ยจ่ออยู่ที่คอหรือไฟกำลังไหม้บนหัวนี่เขาจะทำยังไงให้มีสติฉันนั้นเขาปฏิบัติตามนั้นจะละราคะได้ พวกสูตรประเภทนี้เรียกว่านิเพทภาคยาสูตรพูดเพื่อชำแรล ก, กิเลสพูดเพื่อบรรลุเลยว่าท่านไม่ต้องรอไม่ต้องชักช้าอะไรแล้วบรรลุได้บรรลุเลยเรียบกําจัดละจัดตัดชันธราฆ่าได้ก็รีบตัดไปเถอดจะไปอะไรอาวร์อะไรเลยพราะนิเพทภาคยะเป็นสูตรประเภทเจาะทําลายกิเลสทําลายกองแห่งบาปอากุศลเป็นต้นบางทีก็เป็นพระสูตรที่แสดงกองแห่งศีลพระอระหรันต์เนี่ยนะ เรียกว่ า, าเขาสขศีลขันก็คือกองแห่งศีลพระอรหันต์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดแลโพธิปัจขิยธรรมทั้งหลายหรือจตุสัจธรรมสีประการย่อมปรากฏแก่พรามคือพระอรหันต์ผู้ลอยบาปทิ้งแล้ว ผู้มีความเพียรเพ่งพินิษฐ์เมื่อนั้นพระ้าหันนั้นเนี่ยนะย่อมกําจัดมานและเสนาเสียได้ดุดพระอาทิตย์สาดส่องท้องฟ้าให้สว่างสวัยอยู่เช่นั้นอันนี้ก็เป็นพระสูตรในตติยะโพธิสูตรใช่ไหมคือเรียกอะไรนะโพธิสูตรในใ น, ในอุทานสูตรที่หนึ่งก็กล่าวถึงทุกขสัจจะอ่าสมูขออภัยสูตรที่หนึ่งกล่าวถึงสมุทยสัจจะสูตรที่สองกล่าวถึงนิโรสัจจะสูตรที่สามกล่าวถึง มัคสัตจะเนี่ยนะยะถาฮ า, าเวปาตะพวันติธรร ม, มาเนี่ยก็เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้ากล่าวหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ได้เจ็ดวันเนี่ยนะในในอช่วงไหนปชิมไมยามแห่งราตรีคืนที่เจ็ดหลังจากตรัสรู้พระสูตรนี้เป็นสูตรของพระอรหันต์เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายสูตรนี้ชื่อว่าอาเอขภิกษสูตร ส่วนตัวอย่างในนี้เขายกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องว่าผู้ที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาการบูชานี้ก็เป็นวาสนาภากยะใช่ไหมเพราะว่าการบูชาด้วยอามิตรบูชาหรือด้วยการปฏิบัติบูบชาการบูชาด้วยอามิตรเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้ต่อไปในภายภาคหน้าขณะเดียวกันผู้ที่ปฏิบัติบูชาโดยเฉพาะปฏิบัติด้วย วิปัสนาทั้งหลายเพื่อเป็นการบูชาพวกนี้ก็เป็นนิเพทภาคียะผู้ที่เป็นผ้าหันก็ยังบูชาพระพุทธเจ้าก็เป็นอาเสขภาคียะนั้นการรวมพระสูตรเหล่านี้ได้ทั้งหมดก็เรียกว่าอะไรเรียกว่าวาสนานิเพทะวาสนาอาเสขภาคียะเป็นต้นอันพระสูตรเหล่านี้ก็สามารถรวมได้รวมได้ การจัดตั้งพระสูตรอย่างนี้นี่เนี่ยการสามารถจัดตั้งพระสูตรว่าพระสูตรตรงนี้หมายถึงอะไรสูตรตรงนี้หมายถึงสังกิเลสหรือสูตรตรงนี้วาสนาสูตรตรงนี้เป็นนิเพทัธหรือสูตรตรงนี้เป็นอัศเสขะข้อความตรงนี้เป็นหรือเอาผสมการหรือสูตรตรงนี้เป็นสังกิเลสหรือตรงนี้เป็นวูทานเป็นต้นการที่มาจัดตั้งแยกแยะได้อย่างนี้เขาเรียกว่า ศาสนบประฐานเนี่ยนะศาสนาประฐานอันศาสนประฐานโดยโย่อก็คงกล่าวแต่เพียงเท่านี้ส่วนโดยพิสดารก็จะกล่าวครั้งครั้งหน้านะสำหรับครั้งนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้และก็ขอให้สามารถศึกษาพระไตรปิฎกได้อย่างแตกฉานท่วนหน้ากันจะได้เป็นฐานแห่งการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ต่อไป